พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภะโทรเรื่องบ้านที่แท้จริง นี้ขอให้โยมจงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคารพต่อไปให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งอาตมาจะได้ให้ธรรมะให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้น ตั้งอยู่ในที่เฉพาะหน้าของโยมจงตั้งใจให้ดีกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาให้สบายน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรฝากโยมด้วยสิ่งของที่จะเป็นแก่นเป็นสารนอกจากธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายขอให้โยม จงตั้งใจรับให้โยมทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นถึงแม้จะเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากก็จะหลีกหนีความทุกข์พลภาพไปไม่ได้อายุถึงวัยนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านก็ปลง ปลงอายุสังขารคำว่าปล o งนี้ก็คือว่าให้ปล่อยวางอย่าไปหอบไว้อย่าไปหิ้วไว้อย่าไปแบกไว้ให้โยมยอมรับเสียว่าสังขารร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันเถอะ เราก็ได้อาศัยสกลร่างกายนี้มาตั้งแต่กําเนิดขึ้นมาจนถึงวัยเท่าแก่ป่านนี้ก็พอแล้วก็เปรียบประหนึ่งว่าเครื่องใช้ไม้สอยของเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บกํมไว้นานแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเหล่านี้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 ก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปลมาเปลี่ยนมาเรื่อยเรื่อยมาจนถึงบัดนี้แล้วก็เรียกว่าแก่นี่คือให้เรายอมรับซะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเรา ทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายนี้ก็ดีมันเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพินิษพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทั้งก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอนอยู่นี้ที่มันกำลังสุดโสมอยู่นี้ นี่แหละมันคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มองมันให้พิจารณามันให้ยอมรับมันซะ มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรก็ตามทีเะพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าเมื่อเราถูกคุมขังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอันนี้เท่านั้นแต่ใจอย่าให้ถูกขังอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่อร่างกายมันสุดโซมไปตามไหวยมก็ยอมรับซะให้มันสุดไปให้มันโซมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเป็นคนละอย่างกันก็ทาจิตให้มีกําลังให้มีพลังเพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าร่างกายจิตใจนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นคือเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่มาแล้วก็เจ็บ เจ็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงเหลือเกินซึ่งคุณยายก็พบอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูมันด้วยปัญญาให้เห็นมันเท่านั้นถึงแม้ว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านของเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำ มันจะท่วมบ้านของเราก็ตามถึงแม้ว่าภัยอะไรต่างๆมันจะมาเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเรือนของเราก็ตามก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ามันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันมีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้มันก็สมควรแล้วมันสมควรที่จะปล่อยแล้วที่โยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไหมตาก็ได้ดูรูปสีแสงต่างๆตลอดหมดแล้ว ทั้งอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนหูก็ได้ฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างหมดแล้วอะไรทุกอย่างก็ได้รับมามากๆทั้งนั้นแหละและมันก็เท่านั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นรับประทานสิ่งที่ไม่อร่อยมันก็เท่านั้นตาจะดูรูปสวย สวยมันก็เท่านั้นหรือดูรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะไพเราะจับอกจับใจมันก็เท่านั้นจะได้ฟังเสียงที่ไม่ไพเราะมันก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าทั้งคนร่ำรวยทั้งคนยากจน ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กตลอดทั้งเดรัจฉานทั้งหมดด้วยซึ่งเกิดขึ้นมาในสกลโลกอันนี้มันไม่มีอะไรจะยั่งยืนจะต้องผลัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างไรอย่างไรเพื่อจะให้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ แต่ก็มีทางแก้ไขอยู่ว่าพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้ที่เดียวเท่านั้นให้พิจารณาจิตใจนี้ด้วยว่าทั้งสองอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามันเป็นของสมมุติเช่นว่าบ้านของคุณยายนี้ ก็เป็นของสมมติว่าเป็นของคุณยายเท่านั้นจะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพระสถานมันสมมติว่าเป็นของคุณยายเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่เท่านั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้ลูกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาสมมติว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณยาย มันก็เรื่องสมมุติทั้งนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลกถึงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้พระอรหันตสาวกทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกว่าพวกเราทั้งหลาย แปลกอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกลร่างกายนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูสกลร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะ ลงไปหาปลายเท้าดูซิว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเป็นของสะอาดไหมเป็นของเป็นแก่นสารไหมนับว่าแต่มันจะสุดเรื่อยมาอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เห็นสังขารว่าของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้ ของที่ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างไรล่ะอันนี้มันถูกแล้วถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละไปเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โดยความเห็นผิดมันก็ขวางใจเท่านั้นเหมือนน้ำในแม่น้ำ ที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามสภาพอย่างนั้นอย่างแม่น้ำอายุทยาแม่น้ำมูลแม่น้ำอะไรอะไรก็ตามเถอะมันก็ต้องมีการไหลวนไปทางใต้ทั้งนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือหรอกโยมธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าบุรุษคนหนึ่ง ไปยืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มองดูกระแสของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวไปทางใต้แต่บุรุษนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ำนั้นมันไหลขึ้นไปทางเหนืออย่างนี้เป็นต้นเขาก็เป็นทุกข์เขาคนนั้นจะไม่มีความสงบเลยถึงแม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน เขาก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรละ่ะโยมเพราะบุรุษนั้นคิดผิดคิดทวนกระแสน้ำคิดอยากจะไปให้น้ำไหลขึ้นไปทางเหนือความจริงนั้นน้ำมันจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้มันจะต้องไหลไปตามกระแสของมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทำไมถึงไม่สบายใจก็เพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกดำริไม่ถูกเพราะเขามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้ำก็ต้องไหลไปตามกระแสของมันคือไหลไปทางใต้ แทนที่จะให้ไหลไปทางเหนือนั้นมันเป็นความเห็นผิดมันก็มีความกระทบกระทั่งตกขิตตาขูงใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นว่าน้ำธรรมดามันก็ต้องไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้ อันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าเอออันนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแม่น้ําที่มันไหลไปทิศใต้มันก็เหมือนชีวิตร่างกายของยาอยู่เดี๋ยวนี้แหละเมื่อมันหนุ่มแล้วมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วก็วนไปตามเรื่องของมัน อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีอํานาจไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าท่านให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันซะว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้น เราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสียเอาความรู้สึกนี้เองเป็นที่พึ่งให้ภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามเถอะให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาว สูดลมเข้ามายาวๆหายใจออกไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมว่าพุทโธพุทโธโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกำหนดลมเข้าให้ละเอียดละเอียดเข้าไป มากเท่านั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาเมื่อมันกำลังเหน็ดเหนื่อยก็ให้โยมหยุดความคิดทั้งหลายให้โยมหยุดคิดอะไรอะไรทั้งปวงเสียให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตให้รู้จักลมภาวนาพุทโธพุทโธ ปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับลูกอย่าไปเกาะกับหลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวดูลมให้กำหนดลมเอาจิตนั่นแหละไปรวมอยู่ที่ลม คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะมีความรู้สึกน้อยน้อยมันจะมีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุด อันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไประงับไปผลที่สุดเราก็ดูลมเหมือนกับญาติมาเยี่ยมเราเราก็จะตามไปส่งญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าเรือไปถึงรถเราก็ส่งญาติเราขึ้นรถเราก็ส่งญาติเราลงเรือ เขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปเลี้วเท่านั้นแหละเราก็มองไปเถอะเมื่อญาติเราไปแล้วเราก็กลับบ้านเราเราดูลมก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จัก เมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆเราก็มองไปมองไปตามไปน้อมไปน้องไ ป, งไปทำจิตให้มันตื่นขึ้นทำลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดแล้วลมหายใจมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มี มันก็จะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นตื่นอยู่นั้นก็เรียกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราได้พบพระพุทธเจ้าแล้ว เราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วมันไม่ส่งจิตใจไปทางอื่นแล้วมันจะรวมอยู่ที่นั่นนั่นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปรินิพานไปแล้วนั่นเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นรูปกาย มีรูปแต่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างสวัยเบิกบานอย่างนี้เมื่อพบเช่นนี้เราก็มีอันเดียวเท่านั้นให้มารวมที่นี้ฉะนั้นให้วางวางทั้งหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวแต่อย่าไปหลงนะอย่าให้ลืม ถ้าเกิดนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่ความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นแหละไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังหยุดอยู่กับที่จนกว่าว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่ หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไป ให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงธรรมะอย่างนี้อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้น อย่าไปห่วงคนนี้ลูกก็ดีหลานก็ดีอะไรทั้งปวงเหล่านั้นอย่าไปห่วงเลยยมที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโยงที่เป็นอยู่นี้ไม่มีใครที่จะเหลืออยู่ในโลกได้จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น อันนี้คือสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะฉะนั้นของที่ไม่มีสาระแก่นสารจริงๆท่านจึงให้วางถ้าวางแล้วก็เห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสาลลโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้น ยายโยมไม่ควรห่วงใยไม่ควรเกาะเกี่ยวถึงแม้มันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่นึกถึงหลาน ก็ให้นึกถึงด้วยปัญญาอย่าให้นึกถึงด้วยความโง่อะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเราก็คิดได้เรารู้มันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องปล่อยรู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องวางถ้ารู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญา มันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสาราญมีความสงบมีความระงับเป็นอันเดียวจิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมลมหายใจนี่แหละโยมบัดนี้เป็นภาระของโยม ยายคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นเขาทุรหน้าที่ของเราก็เป็นทุรหน้าที่ของเราอย่าไปเอาทุระของลูกหลานมาทําอย่าไปเอาทุระของคนอื่นมาทําอย่าไปเอาทุระอะไรอะไรทั้งปวงทั้งนั้นแหละมาทํา ไม่ใช่หน้าที่ของเราในเวลานี้เราควรปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้วอาการที่จะปล่อยจะวางนี้จะทําความสงบนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําในปัจจุบันให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเรา เรื่องอะไรก็ปล่อยให้เขาซะเรื่องรูปก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องเสียงก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องอะไรอะไรก็ปล่อยให้เขาแล้วเราจะทำธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็ให้นึกอยู่ในใจว่า อย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของฉันความวิพากวิจาร์อะไรก็ตามเช่นว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเราเพราะเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงคนโน้นแล้วก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตยอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉัน ไม่ใช่ธุระของฉันบอกอย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะว่าเราเห็นธรรมะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีแล้วโลกก็คืออะไรโลกก็คืออารมณ์ที่มันมายุแย่กวนยายกวนโยมอยู่เดี๋ยวนี้แหละ เดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคนนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตายไปเนี่ยใครจะดูแลเขาใครจะเป็นอะไรอย่างไรไหมอย่างนี้นะ่ะเป็นโลกทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นใเฉยๆเราก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นโลกทั้งนั้น ทิงโลกเสียโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีขึ้นมาในใจก็เรียกว่าโลกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี้มันมาบังจิตไม่ให้เห็นจิตของตนอะไรอะไรทุกอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาให้โยมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ธุระของฉันเป็นเรื่องอนิจจงเป็นเรื่องทุก เป็นเรื่องอนัตตา จะคิดว่าอยากอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายซะเดี๋ยวนี้เร็วๆนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายนะนะโยมนะเป็นทุกข์เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งอะไรมันก็ไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ตกแต่งมันได้ก็นิดๆหน่อยๆเป็นต้นว่าตกแต่งร่างกายของเราให้สะสวยให้มันสะอาดดูเด็กๆเขาสิทาปากทำเล็บให้มันยาวทำอะไรให้มันสะสวยซะมันก็แค่นั้นหละโยมเมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันไม่มีอะไรตกแต่งได้แค่นั้นแหละ ตกแต่งจริงๆไม่ได้หรอกมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของสังขารที่จะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราตึกรามบ้านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างบ้านคุณหมออุทัยเนี่ยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้สร้างขึ้นจะสวยใหญ่โตก็ได้สร้างนั้นมันสร้างบ้านข้างนอก ใครใครก็สร้างกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันเป็นบ้านโดยสมมุติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกบางคนก็ลืมนะได้บ้านใหญ่โตสนุกสุขสำราญลืมบ้านจริงๆของเขาบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหน บ้านที่จริงของเราคือที่ว่ามีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านจริงๆของเราบ้านที่เราอยู่นี้หรือบ้านที่ไหนก็ตามทีเถอะบ้านก็สวยหรอกแต่อยู่กันไม่ค่อยสงบเดี๋ยวก็เพราะอันโน้นเดี๋ยวก็เพราะอันนี้เดี๋ยวก็ห่วงอันนั้น เดี๋ยวก็ห่วงอันนี้อยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านข้างในมันเป็นบ้านข้างนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมันเท่านั้นแหละบ้านนี้เราอยู่ไม่ได้เรกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราสกลร่างกายของเรานี้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 บ้านที่มันสำหรับอยู่จริงๆที่ที่มันสงบจริงๆไม่ค่อยจะสร้างกัดไปสร้างแต่ข้างนอกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างโยมอย่างคุณยายเนี่ก็ลองคิดดูสิเวลานี้มันเป็นอย่างไรนะคิดดูตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ คือเราเดินหนีจากความจริงเดินไปเรื่อยและเดินมาจนแก่จนเจ็บขนาดนี้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเป็ดจะให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นเป็ดไก่อยากให้เหมือนกับเป็ด มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เป็นเหมือนเป็ดมันก็ทุกเท่านั้นล่ะก็เพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าโยมมาคิดเสว่าเอ่อเป็ดมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นไก่มันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นจะให้เป็ดเหมือนไก่จะให้ไก่เหมือนเป็ด มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพละเราจะมีกำลังเพราะว่าสกลร่างกายนี้อยากจะให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารอานิจจาวตสังขารา อุ ป, ปาทวยะธรรมิโนอุ ป, ปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปะสมโมสุโคสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปแต่มนุษย์เราทั้งหลายอยากให้สังขาร น, นี้มันเที่ยง อันนี้คือความคิดของคนโง่ดูซิว่าลมหายใจของคนเหล่านี้มันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมดาของลมมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสังขารมันก็อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูสิว่าหายใจออกอย่างเดียวไม่ให้มันเข้ามาได้ไหมสบายไหมสูดลมเข้ามาแล้วไม่ให้มันออกไปดีไหมนี่อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไป แล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆเหมือนกับลมเข้าแล้วไม่ให้ออกไม่ได้ออกแล้วไม่ให้เข้าไม่ได้ถ้ามีการเข้าแล้วออก ออกแล้วเข้าก็ทำให้ชีวิตเช่นมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้เท่าทุกวันนี้เพราะสังขารมันทำตามหน้าที่ของมันอย่างนี้แหละมันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของไม่จริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาแล้วโยมก็คือเราตายแล้วนั่นเองแหละ ไอ้ความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโยมเหมือนกับต้นไม้อันหนึ่งต้นอันหนึ่งปลายเมื่อมีโคนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคนปลายก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็นึกขำเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายแล้วก็โศกเศร้าวุ่นวายนั่งร้องไห้เสียใจสารพัดอยา่างหลงไปสิโยมมันหลงนะพอคนตายก็ร้องไห้พิรัยรำพันแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้พิจารณาให้ชัดแจ้ง น, นะ ความเป็นจริงแล้วอาตมาขอโทษด้วยนะอาตมาเห็นว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายเนะ่ยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่าโยมแต่มันกลับกันเสียถ้าคนเกิดมาแล้วโยมทั้งหลายก็หัวเราะดีอกดีใจกันชื่นบานความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละคือเกิดต้นก็คือปลาย ปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาจวนจะตายหรือตายแล้วก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นมาแต่ต้นก็ยังจะดีนะโยมเมื่อเกิดมาก็ร้องไห้กันเสียเถอะดูให้ดีสิถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเข้าใจไมโยม เพราะฉะนั้นโยมอย่านึกอะไรมากมายให้นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือธุระหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมที่คิดให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ให้หวันไหวไปมา ปล่อยมันทิ้งซะเราปล่อยมันทิ้งมันถ้าเราไม่ปล่อยมันไม่ทิ้งมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเห็นไหมอวัยวะร่างกายของเรานะ่ะมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมโยมดูง่ายๆว่าเมื่อเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวผมมันก็ดำเห็นไหมบัดนี้ มันงอกนี่เรียกว่ามันหนีแล้วนะตาเราเคยสว่างสวัยดีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบัดนี้มันฝ้าฟางเห็นไหมนี่เรียกว่ามันหนีแล้วเขาทนไม่ไหวเขาก็ต้องหนีที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาอะไรทุกชิ้นทุกส่วนเขาก็จะหนีแล้วฟันของเราตอนเป็นเด็ก มันแน่นหนาถาวรไหมบัตรนี้มันโยกมันคลอนแล้วจะใส่ฟันใหม่ซะ ก, ก็ได้นี่มันก็ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าสิ่งทั้งหลายในอวัยวะร่างกายของโยงนี้เขาพยายามจะหนีไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมด เขาพยายามจะหนีทำไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นก็ไปไม่ว่าแต่ตัวของเราทั้งหมดอวัยวะนี่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทั้งหมดนั้นเดี๋ยวนี้เขาเตรียมหนีเขาหนีไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมด ยังเหลือแต่คนเฝ้าบ้านเล็กๆน้อยๆเฝ้าบ้านอยู่แต่ไม่ค่อยดีหรอกตาก็ไม่ค่อยดีฟันก็ไม่ค่อยดีหูเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีร่างกายนี้ก็ไม่ค่อยจะดีก็เพราะเขาหนีไปบ้างแล้วล่ะโยมนี่ให้โยมและยายเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นละ่ะ เพราะฉะนั้นโยมยายไม่ควรห่วงใยอะไรมากมายมาอยู่ในโลกก็ให้พิจารณาโลกนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเลยเขาเตรียมจะหนีกันแล้วดูสิดูตามสภาพร่างกายสิว่ามันมีอะไรเหมือนเดิมไหมร่างกายเหมือนเดิมไหมหนังเหมือนเดิมไหม ผมเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเขาไปที่ไหนกันหมดแล้วนี่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ครบตามวาระของเขาแล้วเขาก็ต้องไปเพราะธุระเขาเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ที่แน่นหนาถาวร อะไรอยู่แล้วก็วุ่นวุ่นวายวายสุขสุขทุกๆุกไม่สงบระงับถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่เดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระหว่างทางเดี๋ยก็จะกลับเดี๋ยก็จะไปเดี๋ยก็จะอยู่นี่คือคนที่ไม่มีที่อยู่เปรียบเหมือนว่าเราเดินออกจากบ้านไปกรุงเทพ หรือว่าไปที่ไหนก็ตามเธอเราก็เดินไปเมื่อเดินไปยังไม่ถึงบ้านเมื่อไรมันก็ยังไม่น่าอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านเราพอเรามาถึงบ้านเราแล้วก็สบาย เพราะเราเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นถึงแม้มันจะร่าจะรวยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบเป็นเด็กก็ไม่สงบมีความรู้น้อย มันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีน้อยก็มีทุกข์คนที่มีมากก็มีทุกข์เป็นเด็กมันก็เป็นทุกข์ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ทุกอย่างคนแก่ ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็นทุกทั้งนั้นนั่นแหละดังนั้นอวัยวะทุกส่วนเขาจึงทยอยกันไปเรื่อยเมื่อโยมยายพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าอานิจจงมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุก์เพราะว่าอะไร เพราะว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างที่โยมยายอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะร่างกายที่นั่งนอนเจ็บป่วยอยู่นี้และทั้งจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทม สิ่งที่ไม่มีรูปที่มันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเรียกว่ามันเป็นนามมันก็เป็นนา ม, มาธรรมสิ่งที่มันเจ็บปวดขยายไปมาอยู่นี้อันนี้มันก็เป็นรูปประธรรมสิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เป็นธรรมฉะนั้นเราถึงอยู่กันด้วยธรรมะ คืออยู่ในธรรมมันเป็นธรรมนั่นแหละตัวของเราจริงๆที่ไหนมันไม่มีมันเป็นธรร ม, มะสภาพธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับไปสภาวะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแล้วก็มีความดับเราก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะ เดี๋ยวนี้นะ่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้หน้าเคารพน่านับถือท่านพูดจริงท่านพูดตามความจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรมมรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรมมรมะ บางคนปฏิบัติธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เห็นธรรมะก็ยังไม่มีที่อยู่ดังนั้นให้เข้าใจสิว่าที่นี่ทุกคนแม้ปลวกหรือมดหรือสัตว์ตัวนิดนี้ก็ตามทีเถอะเขาก็พยายามจะหนีกันทั้งนั้น สิ่งที่มีชีวิตเขาอยู่กันพอควรแล้วเขาก็ไปกันทั้งนั้นละ่ะทั้งคนจนทั้งคนร่ำรวยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มันก็ย่อมแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อโยมคุณยาย รู้ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็หน้าเบื่อน่ายหน้าเบื่อมันอะไรมันไม่เป็นตัวของตัวทั้นนั้นเบื่อน่ายนิพพิธาคำว่าเบื่อนายไม่ใช่วรังเกียจนะเบื่อนายคือใจมันสว่างใจมันเห็นความเป็นจริงไม่มีทางจะแก้ไขอะไรแล้วมันเป็นอย่างนี้ รู้อย่างนี้ก็เลยปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามเรื่องของสังขารว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเรานี่เรียกว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยง คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังพูดง่ายๆว่าตัวอนิจจังนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าละ่ะถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างจริงๆจังๆว่าอนิจจังคือของไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้า ของที่ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปมันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมนุษย์สัตว์เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นมันเที่ยงอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือว่ามันแปลไปแปลมาคือมันเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเท่าแก่ชรา เรียกว่ามันไม่เที่ยงไอ้ความที่มันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามันเที่ยงไม่แปลเป็นอย่างอื่นถ้าโยมคุณยายเห็นอย่างนี้ใจก็จะสบายไม่ว่าเราคนเดียวหรอกทุกๆคนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็หน้าเบื่อเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่ายหายความกำหนัดรักใคร่ในโลกในกามในโลกามิตธ์ทั้งหลายเหล่านี้มีมากก็ทิ้งไว้มากมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยทุกคนดูที่สิที่โยมเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหม มันก็มีเท่านั้นละโยมเพราะฉะนั้นที่สาคัญคือพระพุทธเจ้าท่านให้สร้างบ้านเรือนตัวเองสร้างโดยวิธีที่อาตมาบรรยายธรรมะให้ฟังเดี๋ยวนี้นะ่ะสร้างบ้านให้ได้ปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางมันให้มันถึงความสงบเรียกว่าไม่เดินไปข้างหน้า ไม่ก้าไปข้างหลังไม่หยุดอยู่นี่เรียกว่าสงบสงบจากการเดินไปสงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู่นี่ไอความสุขก็ไม่ใช่ที่อยู่ไอ้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกข์มันก็เสื่อมสุขมันก็เสื่อมทั้งนั้น พระบรมครูของเราท่านเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายปล่อยวางเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของทุกคนเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นมันก็ต้องวางอยู่นั่นเองล่ละแต่เราก็วางมันไว้ก่อนซะจะไม่ดีกว่าหรือเราแบกก็รู้สึกว่ามันหนัก เมื่อมันหนักแล้วเราก็ทิ้งมันซะก่อนจะไม่ดีหรือจะไปโกนแบกมันทำไมเราปล่อยวางก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่ผู้พยาบาลอย่าทำให้ลำบากแก่คนที่รักษาเจ็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้ได้รู้จัก ทำจิตให้มันดีคนที่รักษาพ่อแม่ก็ให้มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียจอันนี้จะเป็นการสนองคุณพ่อแม่ของเราก็เวลานี้เท่านั้นละ่ะเบื้องต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เราอาศัยพ่อแม่จึงเติบโตจนถึงบัดนี้ได้มาอยู่บัดนี้ นั่งรวมกันอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณมากที่สุดเหลือเกินนะบัดนี้ให้ลูกหลานทุกๆคนนี้จงเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่กลายเป็นลูกเราเสียแล้วแต่ก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราเสียแล้วเพราะอะไร เพราะแก่ไปแก่ไปจนกลายเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสารพัดอยา่างบางทีผู้ถูกผิดผิดเหมือนเด็กนั่นเองดังนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายปล่อยคนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยอย่าไปถือเลย ปล่อยซะให้ตามใจทุกอย่างเหมือนเด็กๆที่เกิดมาอะไรที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ปล่อยทุกอย่างนั่นหละปล่อยให้เด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้องไห้อย่าให้เด็กขัดใจอะไรเหล่านี้พ่อแม่ของเราบัด น, นี้ก็เหมือนมันสัญญามันวิปลาสบางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่ง บางทีเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกหลานอีกคนหนึ่งจะเรียกเอาขันมาก็ได้จานมามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นอันนี้ก็ให้พิจรารณาคนที่ป่วยก็ให้นึกถึงคนพยาบาลมีคุณธรรมให้อดให้ทนต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นมา ให้อดกลั้นให้ทำความเพียรในใจของเราอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มีความลำบากยากเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติผู้อุปถากก็ให้มีคุณธรรมอย่ารังเกียจนำ้ำโมกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ต้องพยายามเท่าที่เราจะทำได้ลูกๆเราทุกคนให้ช่วยกันดู บัดนี้เรามีพ่อแม่เท่านี้แหละเราอาศัยมาได้เกิดมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างเหล่านี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เลี้ยงเรามาให้ความรู้เรามาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเรานี่คือคุณของพ่อแม่ ถ่ายทอดรับมรดกกันมาอย่างนี้เป็นวงตระกูลอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนเรื่องกระตันโกูกระตะเวทีกระตันโยกับกระตะเวทีนี้เป็นธรรมซึ่งสนองซึ่งกันและกันท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบากท่านมีความขัดข้องประการใดเราก็ต้องเสียสละ ช่วยท่านรับภาระธุระอันนั้นนี่คือกตันญูกต ะ, ะเวทีเป็นธรรมะที่ค้มจุนโลกอยู่ให้วงตระกูลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตระกูลของเราเรียบร้อยมั่นคงวันนี้อาตมาได้เอาธรรมะคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากอาตมาจะฝากอะไรมามันก็ไม่มี จะฝากวัตถุอะไรมาที่บ้านนี่ก็เยอะแยะแล้วอาตมาจึงขอฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้มันเป็นแก่นเป็นสารถึงโยมยายได้ฟังธรรมะนี้แล้วจะถ่ายทอดให้คนอื่นเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดไปสัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้ อาตมาก็พลอยดีใจด้วยที่ได้ฝากธรรมะมาให้โยมเพื่อจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เจริญพร